เวนาปัจจัยาสหสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดตอนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวนปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตระภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคววทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณหปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอาเสวณหปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณหปัจจัย สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดก่อรก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาศัยวณปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภู อนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโพตรัพูเป็นปัจจัยแก่มัคโวทานเป็นปัจจัยแก่มัคโดยอาเสวณปัจจัยกรรมะปัจจัยห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและนาน า, นาคณิกะสหาชาตะได้แก่ เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียว คือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยธรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยธรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก ซึ่งสัมปยุทธ er ์ด yeah. er ้วยทุกขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยห้สบแสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมะปัจจัยนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยครมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยครมภปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาขณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบาก สัมปยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยกรรมะปัจจัย59สภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุดตะขัน โดยกัร ม, มปัจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิปากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยกรร ม, มะปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมะปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่ เจตนาที่สัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขรรมสุขเวทนาเป็นปจ Lego, ัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขรมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบาก ซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยกรมะปัจัยวิปากะปัจใจัยส0สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยวิปากะปัจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจัยแก่ขันธ์สองโดยวิปากะปัจัยขันธ์สองเป็นปัจใจแก่ขันธ์หนึ่งโดยวิปากะปัจัย ในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยวิปากะปัจจัยขันสอ ง, สองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยวิปากปะปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งสัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองในปฏิสนธิขณะอาหารรปัจจัยเป็นต้นหกสอสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอาหารรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทริย์ปัจจัย เป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมรรคะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนัตติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย เยานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนหกสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมณันตรปัจจัยมีเจดวาระสหชาณาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมี8ดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อธิปัจจัยมีสามวาระนัตถปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเหตสุสภาขในหกสิบสามอาธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยละถึงมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจัยมีสามวาระ นิสยปัจใจและถึงมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอินทริยะปัจจัยมีสองวาระมขะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสามัญญะตานาปัจใจเจตคือเหตุสหชาตะอัญญะมัญญานิสยะสัมปยุตตะ อธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระสาอินทริยามัคคัตนา64ปัจจัย9คือเหตุสหชาตะอัญญมัญญานิสยะอินทริยามัคคะสัมปยุตตะอธิ และอวิคตะมีสองวาระปัจใจสิบคือเหตุสหาชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะอินทริยมะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระสาธิปติอินทรียามัคคคตานาหกสปัจใจสิบคือเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยามัคคะ สัมปยุตตาอาติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยสิบเอ็คือเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะมะัคคะสัมปยุตตาอาติและอวิคตะมีสองวาระอารมณสภาขณัย6กอธิปติปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสี่วาระ อุปนิสยปัจจัยละถึงมีสี่วาระอารมณะตนา67ปัจจปัจจสามคืออารมณะอธิปติและอุปนิสยมีสี่วาระอธิปติสภาคไนหกสเหตุปัจจัยกับอธิปติปัจจัยมีสองวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีสี่วาระสหาชาตปัจจัยมีสามวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิจยปัจจัยมีสามวาระอุปนิจยปัจใจมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีสองวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระ อธิปติขตนา69ปัจจัยมคืออธิปติอารมณะและอุปาณิยะมีสี่วาระปัจใจเจ็คืออธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออธิปติสหชาตะอัญญามัญญะนิยะวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระ ปัจจัยเกคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอาหาระอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออธิปติสหชาตะ อัญญะมัญญะนิสยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจใจสิบคืออธิปติสหชาตะอัญญะมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจใจสิบคืออธิปติเหตุสหชาตะอัญญะมัญญะนิสยะอินทริยะ มัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยสิบอคืออธิปติเหตุสหาชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระอนันตรสภาขนันไนเจสสมานันตระปัจจัยกับอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ ป, ปุปนิสยปัจใจและถึงมีเจ็ดวาระาเสรวนปัจจัยมีสามวาระกรร ม, มปัจจัยมีสองวาระนาฏปัจจัยมีเจดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระคัะตตนาเจอปัจจัยาคืออนันตระสมมันตระปุป น, นิสยานาถิและวิคตะมีเจ็ดวาระปัจใจหกคืออนันตระสมมันตระ อุปาเนสยะอาเสวนะนัตถิและวิคตะมีสามวาระปัจจัยหกคืออนันตระสมนันตระอุปาเนสยกรร ม, มะนัตถิและวิคตะมีสองวาระและถึงกับสมนันตระปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตระปัจจัยสภาคั้นนมีสหชาตะปัจจัยเป็นต้นเจ็ดสิบสอง เหตุปัจจัยกับสหชาติปัจจัยอัญญมัญยะปัจจัยและนิสยปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระสหชาตะปัจจัยกับมีสามวาระอัญญมัญยะปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีสามวาระวิปากปัจจัยกับมีสามวาระอหาระปัจจัยกับมีสามวาระ อินทรียะปัจจัยกับมีสามวาระชาณะปัจจัยกับมีสามวาระมัคคะปัจจัยกับมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระขัตตนาปัจจัยหคือนิสยะสหชาตะอัญญามัญะสัมปยุตตะอธิ และอวิคตะมีสามวาระปัจเจดคือนิสยะสหชาตะอัญญมัญะวิปากะสัมปยุตตะอัติและอวิคตามีสามวาระอุปานิสยาสภาวะในเจ็อารมณะปัจัยกับอุปนิสยาสภาวะในเสิบสามอารมะปัจจัอุ ป, ปอนิยาสภาะในเจ็สิบสามระปัจจกับอนิสยาสาะในเจ็ิบอระปัจจับอุปนิยาสะใเจดสิ สมณันตรปัจจัยมีเจดวาระอาเสวณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีแปดวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระคต น, นาเจ็ดสปัจจัยสคืออุปาณิยะอรมณะและอธิปติมีสี่วาระปัจจัย5คืออุปาณิยนนัะนนตะสมนันตระนัตถิ และวิคตามี7ดวาระปัจจัหกคืออุปนิสยยอนันตระสมนันตระ Spider อเจวณะนัตถิและวิคตามีสาวาระปัจจัองคืออุปนิสยยและกรร ม, มะมี8ดวาระปัจจัหกคืออุปนิสยยอนันตระสมนันตระกรรมะนัตถิและวิคตามีสองวาระ คาข้างใน75อานันตระปัจจัยกับอาเสวะณปัจจัย <Sophie> ม <us Drop shit> <inner> <atamente> ีสามวาระสมานันตระปัจจัยละถึงมีสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระคตนาปัจจัยหกคืออาเสวะณะอนันตระสมานันตระอุปนิสัยนัตถิและวิคตะมีสามวาระ กรรมสภาข้างใเจสหกอนันตระปัจจัยกับกรรมะปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยและถึงมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจยะปัจจัยมีสามวาระกูปานิจยะปัจจัยมีแปดวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระ สามปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสองวาระวิคตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระคาตนาปัจใจสองคือกรรมะและอุปนิสยามี8ดวาระปัจใจหกคือกรรมะอนันตระสามัญันตระอุปาณิสยนัตถิและอวิคตะมีสองวาระ ปัจจัยแปดคือกรรมะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคือกรรมะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระวิปากะสภาค้ในเจ็ดสิบเจ็ด เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสองวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระชาณะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตาปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระขตนาปัจจัยเจ็ดคือวิปากะ สหาชาตะอัญญมัญญะนิจยะสัมปยุตตะ อ, อัตติและอวิคตะมีสามวาระอาหารสภาข้างใเจ็สิบแปอธิปฏิปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีสามวาระสหาชาติปัจใจและถึงมีสามวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีสามวาระนิจยะปัจปจัยมีสามวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระ วิปากปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระคัตตนาปัจใจเจ็คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญานิสยะสัมปยุตตะอัิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระ สหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะกรรมะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระสหชาตะอัญญ genetic, มัญญะนิสยะกรรมะวิปากะสัมปยุตตะ อัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยแปดคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเก้าคืออาหาระ อธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะ、นิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตามีสามวาระปัจจสิทิคืออาหาระอธิปติสหาชาตะอัญญมัญญะ、นิสยะ、วิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัติและอวิคตามีสองวาระอินทริยะสภาคนัยนเจ็ดจุดเก้า เหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระชาชาตาปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระหหาระปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยละถึงมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีสามวาระ สัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระภวิคตะปัจจัยมีสามวาระขตนาปัจใจเจ็คืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะสัมปยุตตะอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจแปดคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะสัมปยุตตะอธิ และอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะสำปรยุติอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยเ้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญานิสยะวิปากะมัคคะสำปรยุติอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยะสหชาตะ อัญญามัญญานิสยะชาณะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจใจสิบคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะชาณะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอาหาระสัมปยุตตะ อาติและอวิคตะมีสามวาระปัจเจก้าคืออินทริยะสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสามวาระปัจเจก้าวคืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิจญาอาหาระสัมปยุตตะอาทิและวิคตะมีสามวาระ ปัจจัยสิบคืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอาหาระสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยเก้าคืออินทริยะอธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัยสิบคืออินทริยะอธิปติสหชาตะ อัญญะมัญญะนิสยะวิปากะมาคาัคคะสัมปยุตตะอาทิและวิคตะมีสองวาระปัจจัย9คืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมาคาัคคะสัมปยุตตะอาทิและอวิคตะมีสองวาระปัจเจศิษคืออินทริยะเหตุสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะมัคคะ สัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัะจใจสิบคืออินทริยะเหตุอธิปติสหช yeah, าตะอัญญะมัญญะนิจยะมัคคะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัะจใจสิบเอดคืออินทริยะเหตุ tu, อธิปติสหชาตะอัญญมัญญะนิจยะวิป nya, a, aka, aka. ากะมัคคะสัมปยุตตะอัตติ และอวิคตะมีสองวาระชานะสภาคณัยแปสหาชาตปัจใจกับชานะปัจใจมีสามวาระปัญญมัญญปัจใจยละถึงมีสามวาระนิสยปัจใจมีสามวาระวิปากปัจใจมีสองวาระอินทริยปัจใจมีสามวาระรามระัคะปัจใจมีสามวาระสัมปยุตตปัจใจมีสามวาระ อธิปัจใจมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระคัตนาปัจจเจ7คือชาณะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือชาณะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตาอธิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือชานะ สหชาตะอัญญมัญญะนิสยะมัคคะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสามวาระปัจเจก้าวคือชานะสหชาตะอัญญมัญญ ะ, น, ะนิสยะวิปากะมค igger, ัคคะสามปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจเจก้าวคือชานะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะมัคคะสัมปยุตตะ อธิและอวิคตะมีสามวาระปัจเจศคือชาณนะสหชาตะอัญญามัญญะนิศยะวิปากะอินทริยะมะัคคะสามปยุตตะอธิและอวิคตะมีสองวาระมัคคสภาข้างในแปสิบเอ็ดเหตุปัจจัยกับมัคะปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัปจจัยละถึงมีสามวาระ สหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระขตนาปัจจัยเจ็ดคือมรรค สหชาตะอัญญ melhor, rar, ม cas, ัญญะนิสยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระปัจจัย8คือมัคคะชหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย8คือมัคคะชหชาตะอัญญมัญญะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสามวาระ ปัจจัย9้าคือมัรคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปากะอินทรยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตตามีสองวาระปัจจัย8ปดคือมัรคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะชาณะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตตามีสามวาระปัจจัย9คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะวิปกากะ ชาณะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสองวาระปัจเจก้า ค, คือมัคคะสหชาตะอัญญมัญญะนิสยะลิตริยะชานะสัมปยุตตะอัติและอวิคตะมีสมวาระปัจเจศิบคือมัคคะสหชาตะอัญญามัญญะนิสยะวิปากะอินทริยะชานะสัมปยุตตะอัติ และอวิคตามีสองวาระปัจจัยเก้าคือมรรคะอธิปติสหชาตะอัญญามัญญ ะ, น, ะนิสยะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตามีสามวาระปัจจัยสิบคือมรรคะอธิปติสหชาตะอัญญามัญญ ะ, น, ะนิสยะวิปากะอินทรียะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตามีสองวาระ ปัจจ er ัย9คือมัรคเหตุสหชาตะอรญยมญญะนิสัยอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัย10บคือมัรคเหตุสหชาตะอริยมญญะนิสัยวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตถิและอวิคตะมีสองวาระปัจจัยสิบคือมัรคเหตุอธิปติ สหาชาตะอัญญามัญญะนิจยะอินทริยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระปัจใจสิบเอ็ดคือมัคคะเหตุอธิปติสหาชาตะอัญญามัญญะนิจยะวิปากะอินทริยะสัมปยุตตะอัตติและอวิคตะมีสองวาระสัมปยุตตาสภาข้างใปดสิบสอง เหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิจญาปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระ ชานะปัจจัยมีสามวาระมกะปัจจ <JO> ัย <Gin>. ม <abrupt following September> nee ีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระคตนาปัจใจหกคือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะอธิและอวิคตะมีสามวาระปัจใจเจ็ดคือสัมปยุตตะสหชาตะอัญญามัญญานิสยะวิปากะอถิ และอวิคตามีสามวาระละถึงกับอธิปัจจัยนาธิปัจจัยวิคตะปัจจัยอวิคตะปัจจัยอนุโลมแห่งปัญหาวาระจบ ปัจจณียุทธาระแปสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยแปดสสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและกรรมะปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยแปดสิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขโภเทนาโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขโวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขโภเทนาโดยอารมณปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขโภเทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกเวทนาโดยอารมณะปัจจัยโอปนิสยะปัจจัยและกรรมะปัจจัยสองปัจจยะปัจจนียะสองสังคยาวาระสุทไนแปดสิหกนเหตุปัจจัยมีก้าวาระนอารมณะปัจจัยมีก้าวาระนอธิปติปัจจัยมีก้าวาระนอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระ ณสมณันตระปัจจัยมีฆ้าวาระณสหชาติปัจจัยมีฆ้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีฆ้าวาระณนิสยปัจจัยมีฆ้าวาระณอุปนิสยปัจจัยมีฆ้าวาระณปุเรชาติปัจจัยมีฆ้าวาระณปัจฉาชาติปัจจัยมีฆ้าวาระณอาศวณัปัจจัยมีฆ้าวาระณกรรมปัจจัยมีฆ้าวาระ ณวิปากะปัจจัยมีฆ่าวาระณอาหารปัจจัยมีฆ่าวาระณอินทริยปัจจัยมีฆ่าวาระณฌานะปัจจัยมีฆ่าวาระนมรรคปัจจัยมีฆ่าวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีฆ่าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีฆ่าวาระโนอธิปัจจัยมีฆ่าวาระโนนาติปัจจัยมีฆ่าวาระโนวิคตปัจจัยมีฆ่าวาระ โนอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระนาเหตุตทุกขนแปดสิบเจดนาอารมณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระโนอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระติดกไนนาอธิปติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและนาอารมณปัจจัยมีฆ่าวาระนาอุปาณิสยปัจจัยละถึงมีแปดวาระ โนอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระเอกะวีชกะในโนอวิคตตปัจจัยกับนเหตุปัจใจนาอารมณปัจจัยละถึงนอุปนิสยปัจใจนาปุเรชาตปัจใจนาปัชชาตปัจใจนาอเสวณปัจใจนาวิปากะปัจจัยและนอาหาระปัจจัยมีแปดวาระนเหตุมูลกะในจก ผู้รูพ้พึงนับให้เป็นมูลกะในทั้งหมดเหมือนการนับจํานวนปัจจิยะแห่งกุสละเดกะปัจจิยะจบ